ความสุขความทุกข์ของพวกเรามีอยู่สองส่วนด้วยกันคือความสุขความทุกข์ทางร่างกายและความสุขความทุกข์ทางจิตใจการกำจัดความทุกข์ทางร่างกายกับการกำจัดความทุกข์ทางจิตใจนี้ก็กำจัด โดยวิธีที่ไม่เหมือนกันการสร้างความสุขให้กับร่างกายกับการสร้างความสุขให้กับจิตใจก็ไม่เหมือนกันเราต้องรู้จักทั้งสองวิธีส่วนใหญ่เราจะรู้จักวิธีเดียวคือวิธีกำจัดความทุกข์ทางร่างกาย สร้างความสุขให้กับทางร่างกายแต่เราไม่ค่อยรู้จักวิธีกำจัดความทุกข์ของใจและสร้างความสุขให้กับใจกันเพราะเรื่องของใจนี้ไม่ค่อยมีใครสอนกันเรื่องของร่างกายนี้เรามีพ่อแม่สอนมาตั้งแต่เกิดมีครูตามโรงเรียนต่างๆ ก็ช่วยสอนกันสอนให้เรามีความสุขทางร่างกายสอนให้เรากำจัดความทุกข์ทางร่างกายกันแต่ไม่มีใครสอนเรื่องการสร้างความสุขทางใจหรือการกำจัดความทุกข์ทางใจกันนอกจากศาสนาเท่านั้น ถ้าเราได้เข้าวัดเราถึงจะได้เรียนรู้วิธีกำจัดความทุกข์ทางใจและสร้างความสุขทางใจกัน mm hmm. ความสุขความทุกข์ทางร่างกายก็เกิดจากการขาดแคลนหรือเกิดจากความสมบูรณ์ของปัจจัยสีนี่เองถ้าเราขาดแคลนปัจจัยสี่ ความทุกข์ทางร่างกายก็จะเกิดขึ้นเช่นตอนนี้อากาศร้อนถ้าขาดน้ำดื่มก็จะเกิดความทุกข์ทางร่างกายขึ้นมาพอเราได้น้ำมาดื่มความทุกข์ที่เกิดจากการกระหายน้ำก็จะหายไปอันนี้ความสุขทางร่างกายก็กลับคืนมาร่างกายมีสุข เพราะว่ามีปัจจัยสี่คอยบำรุงอยู่อย่างสม่ำเสมอเราจึงรับประทานอาหารกันอย่างสม่ำเสมอหายใจเข้าออกกันอย่างสม่ำเสมอลมหายใจก็เป็นเหตุของความสุขหรือของความทุกข์ของทางร่างกายเช่นเดียวกันนะ เรื่องของลมหายใจนี้เราไม่ค่อยได้ขาดกันเท่าไหร่เราเลยไม่ค่อยเห็นความทุกข์ที่เกิดจากการขาดลมหายใจว่าเป็นอย่างไรเพราะถ้าเราขาดลมหายใจไม่นานเราก็จะตายทันทีโชคดีที่เรามีลมหายใจให้เราหายได้ตลอดเวลาเราเลยไม่ค่อยมี ปัญหากับเรื่องของลมหายใจเท่าไหร่นอกจากว่าเราไปอยู่ที่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทางอากาศเช่นบางแห่งมีควันพิษต่างๆเราถึงจะเห็นความทุกข์ที่เกิดจากการขาดลมหายใจที่สะอาดบริสุทธิ์ แต่ถ้าเราอยู่ที่มีลมหายใจสาอาดบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องเราก็จะไม่ค่อยรู้จักความทุกข์ที่เกิดจากการขาดลมหายใจกันเท่าไหร่แต่เราจะเห็นความทุกข์ที่เกิดจากเวลาที่เราขาดอาหารรับประทานเวลาที่เราไม่มีเสื้อผ้าไว้สวมใส่ เวลาที่เราไม่มีที่อยู่อาศัยเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วไม่มียารักษาโรคตอนนั้นเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนถึงความทุกข์ของทางร่างกายว่าเกิดจากการขาดแคลนปัจจัยสีนี่เองขาดแคลนอาหารขาดแคลนเครื่องนุ่งหม่มขาดแคลนที่อยู่อาศัย ขาดแคนยารักษาโรคเราจึงต้องทำงานทำการทำมาหากินกันอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะได้มีรายได้มาซื้อปัจจัยสี่มาคอยรักษาความสุขของทางร่างกายให้มีความสุขไปเรื่อย ไม่ให้เกิดความทุกข์ทางร่างกายขึ้นมานั้นเรื่องของความสุขความทุกข์ทางร่างกายนี้พวกเราไม่ค่อยมีปัญหากันเท่าไหร่พวกเรารู้จักวิธีดูแลร่างกายกันรู้จักวิธีรักษาความสุขของร่างกายให้มีอยู่เรื่อยๆและเวลาเกิดความทุกข์ทางร่างกายขึ้นมา เราก็รู้จักวิธีกาจัดความทุกข์เช่นไม่สบายเราก็ไปหาหมอหายากันถ้าขาดอาหารเราก็ไปหาอาหารมารับประทานกันขาดน้ําเราก็ไปหาน้ํามาดื่มกันเรื่องของความทุกข์ทางร่างกายจึงไม่ค่อยเป็นปัญหากับพวกเราเท่าไหร่ปัญหาส่วนใหญ่ ที่เป็นกับพวกเราคือปัญหาทางจิตใจปัญหาคือความทุกข์ใจหรือความปาศากความสุขใจที่เป็นปัญหาของพวกเราอยู่แทบทุกวันเหล่านี้มักจะมีความไม่สบายใจกันอยู่แทบทุกวันสลับกับการมีความสบายใจบ้าง แต่ไม่มีวันไหนที่เราจะบอกว่าเราไม่มีความไม่สบายใจเลยเดี๋ยวเราก็ต้องไม่สบายใจกับเรื่องนั้นไม่สบายใจกับเรื่องนี้ไม่สบายใจกับสิ่งนั้นกับสิ่งนี้กับบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้นี่เป็นเพราะว่าเรามีเหตุที่ทำให้มีความไม่สบายใจกันที่เรียกว่าทุกข์ใจเนี่ย และความสุขใจที่เราไม่ค่อยมีกันก็เพราะว่าเราไม่มีเหตุที่จะทำให้เกิดความสุขใจกันหรือเราไม่รู้จากเหตุที่จะทำให้เกิดความสุขใจเราจะไม่ค่อยมีความสุขใจกันเท่าไหร่แต่ถ้าเราได้มาศึกษาจากพระพุทธศาสนาพระพุทธจาพระพุทธศาสนาจะสอนให้เรารู้ว่า ความทุกข์ใจของพวกเรานี้ก็จากการกระทำสองอย่างด้วยกันการกระทำอย่างแรกก็คือการกระทำบาปเวลาเราทำบาปแล้วเราจะมีความทุกข์ใจไม่สบายใจการกระทำแบบที่สองที่ทำให้เราไม่สบายใจก็คือการที่เรามีความอยากต่างๆนี่เอง อยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้อยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ถ้ามีความอยากเกิดขึ้นทีไรความไม่สบายใจมักจะเกิดขึ้นเช่นตอนนี้อากาศนันร้อนอยากจะให้มันเย็นพอมันไม่เย็นเราก็ไม่สบายใจกัน อันนี้เกิดจากความอยากหรือเวลาอยากให้คนนั้นเขาทำอะไรให้กับเราพอเขาไม่ทำให้กับเราก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาอันนี้เรียกว่าความทุกข์ใจความไม่สบายใจที่เกิดจากความอยากส่วนความสุขใจนี้เกิดจากการกระทำความดีต่าง เวลาเราทำความดีทำให้คนนั้นคนนี้เขาได้รับความสุขจากการกระทาของเราเราก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมานี่คือวิธีสร้างความสุขใจก็คือการทำบุญด้วยวิธีต่างๆถ้าเราอยากจะมีความสุขใจ เราก็ต้องหมั่นทำบุญกันอยู่เรื่อยๆหมั่นทำความดีกันอยู่เรื่อยๆถ้าเราอยากไม่มีความทุกข์ใจเราก็ต้องไม่ทำบาปกันเราต้องหยุดความอยากต่างๆของเราที่ไปอยากกับสิ่งนั้นสิ่งนี้กับบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ถ้าเราไม่ใ ม, มีความอยากกับเขาแล้ว เราจะไม่ค่อยมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นความไม่สบายใจของเราเกิดจากความอยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้อยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้พอเวลาที่ไม่ได้เป็นไปตามความอยากเราก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมา ถ้าเราอยากจะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจเราก็ต้องมากำจัดเหตุที่ทำให้เราไม่สบายใจกันถ้าเราอยากจะมีความสุขเราก็ต้องมาทำเหตุที่ทำให้เกิดความสุขขึ้นมานี่คือวิธีกำจัดความทุกข์สร้างความถุขให้กับจิตใจ ซึ่งไม่เหมือนกับการกำจัดความทุกข์สร้างความสุขให้กับร่างกายเป็นวิธีที่ไม่เหมือนกันเพราะร่างกายมีองค์ประกอบที่ไม่เหมือนจิตใจเนื้อวิธีของร่างกายจึงไม่สามารถที่จะมาทำให้จิตใจสุขหรือทำให้จิตใจไม่ทุกได้วิธีของร่างกายก็ทำให้ ร่างกายไม่ทุกข์ทให้ร่างกายมีความสุขเท่านั้นออฉะนั้นเราจึงต้องรู้ว่าถ้าเราคิดว่าถ้าเราหาความสุขให้กับร่างกายกําจัดความทุกข์ของร่างกายแล้วเราจะไม่มีความทุกข์ทางใจเราจะมีความสุขทางใจด้วยนี้เป็นความเข้าใจผิด ถ้าเราอยากจะได้ทั้งสุขทางกายได้ทั้งสุขทางใจถ้าเราอยากจะกำจัดความทุกข์ทางกายและกำจัดความทุกข์ทางจิตใจเราก็ต้องทำทั้งสองส่วนให้พร้อมส่วนของทางร่างกายเราก็ต้องหาปัจจัยสี่มาให้สมบูรณ์ส่วนทางจิตใจเราก็ต้องไม่ทำบาป ก, กัน เราก็ต้องมาหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจแล้วเราก็ต้องทำความดีต่างๆแล้วใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์ใจของเราก็จะมีความสุขนี่คือสิ่งที่เราไม่รู้กันคือเรื่องของจิตใจเรารู้แต่เรื่องของร่างกาย และเราคิดว่าถ้าร่างกายของเราได้รับการดูแลอย่างเต็มที่แล้วเราจะไม่มีความทุกข์แต่เราก็จะไม่มีความทุกข์ทางร่างกายเท่านั้นแต่ความทุกข์ทางใจของเราก็ยังมีอยู่ต่อไปเพราะเราไม่ได้มากําจัดความทุกข์ทางจิตใจ เพราะว่าแทนที่เราจะมากำจัดความทุกข์ทางจิตใจเรากลับมาสร้างความทุกข์ทางจิตใจกันโดยความไม่รู้เท่าการโดยรู้ไม่เท่าถึงการว่าการกระทำตามความอยากต่างๆนี้มันเป็นการมาสร้างความทุกข์ให้กับใจของพวกเรา พราะพวกเราไปเห็นความสุขที่เราได้รับจากการกระทาตามความอยากต่างๆเวลาเราอยากจะไปเที่ยวพอเราได้ไปเที่ยวเราก็มีความสุขกันเราก็เลยไม่เห็นโทษของการทำตามความอยากเพราะโทษของการทาตามความอยา ก, ก, าาาายากจะเห็นก็ต่อเมื่อเราไม่สามารถทำตามความอยากได้นั่นเอง เช่นเวลาที่เราอยากไปเที่ยวแต่เราไม่มีเงินไปเที่ยวตอนนั้น่ะเราถึงจะเห็นโทษของความอยากไปเที่ยวว่ามันจะทําให้เราไม่สบายใจแต่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันเพราะเราจะคอยหาเงินมาตอบสนองความอยากไปเที่ยวอยู่ตลอดเวลานั่นเอง นอกจากมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถหาเงินทองมาทำตามความอยากได้หรือว่าร่างกายที่เราใช้ทำตามความอยากเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเกิดพิกลพิการขึ้นมาตอนนั้นเราถึงจะเห็นความทุกข์ทางใจ ปรากฏขึ้นมาแต่เราก็จะไม่รู้ว่ามันเกิดจากความอยากกระทำอะไรต่างๆตามที่เราเคยได้ทำมานั่นเองถ้าเราไม่ศึกษาเราจะไม่รู้เราก็จะพยายามหาวิธีที่จะแก้ปัญหาความไม่สบายใจของเราที่ไม่สามารถทำอะไรตามความอยากของเราได้ ถ้ารักษาร่างกายได้ก็พยายามรักษาถ้าหมอรักษาไม่ได้ก็ไปหาหมอผีกันหาหมอดูกันหาหมอหวงจ่วยกันหาหมออะไรต่างๆเพื่อที่จะให้เขาช่วยรักษาร่างกายให้หายได้เพื่อที่เขาจะได้ทำอะไรตามความอยากต่อไป แล้วความไม่สบายใจของเขาก็จะหายไปออ น, นี้เป็นไม่ใช่เป็นวิธีแก้ความไม่สบายใจเพราะต้นเหตุของความไม่สบายใจไม่ได้อยู่ที่ความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายเป็นเพียงส่วนประกอบที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ ของใจได้เพราะว่าไปรักษาร่างกายอย่างไรถึงแม้จะหายมันก็หายได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็ต้องไม่สบายใจไม่สบายขึ้นมาอยู่ดีเพราะนี่คือธรรมชาติของร่างกายต่อให้รักษากันกี่ครัง้งกี่หนเดี๋ยวมันก็ต้องไม่สบายจะไม่ไม่สบายใหม่เดี๋ยวมันหายจากโรคนี้มันก็ไปเป็นโรคนั้น หายจากโรคนั้นก็เป็นโรคโน้นต่อมันจะมีโครคภัยไข้เจ็บต่างๆเข้าคิวมารออยู่ตลอดเวลาดังนั้ น, น, นการแก้ปัญหาความไม่สบายใจที่เกิดจากการไม่สามารถทำตามความอยากได้นี้ไม่ได้ไปแก้ที่ร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาที่ถึงรากถึงโคน เป็นการแก้ปัญหาแบบชั่วคราวพอร่างกายไม่สบายก็ไปรักษาพอหายก็ไปทำอะไรตามความอยากได้พอได้ทำอะไรตามความอยากความไม่สบายใจก็หายไปจนกว่าจะเจอ ค, มมความไม่สบายทางร่างกายอีกครั้งหนึ่งก็จะเกิดความไม่สบายใจตามมาอีกครั้งหนึ่ง หรือการไม่มีเงินทองไปเที่ยวก็เหมือนกันช่วงที่ไม่มีเงินทองก็ไม่สบายใจแต่พอไปหาเงินทองมาได้ก็ได้เอาเงินทองไปใช้ไปเที่ยวอีกก็ความไม่สบายใจที่เกิดจากการไม่ได้ไปเที่ยวก็หายไปอีกแต่วิธีแก้ปัญหาของพวกเรานี้ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหา ที่แท้จริงว่าปัญหามันจะตามมาอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาใดเงินทองไม่พอใช้มันก็เกิดปัญหาขึ้นมาเวลาใดที่ร่างกายเป็นอะไรขึ้นมามันก็เกิดปัญหาขึ้นมาวิธีที่แก้ปัญหาคือความไม่สบายใจนี้ต้องแก้ที่ต้นเหตุของความไม่สบายใจต้นเหตุของความไม่สบายใจ ก็คือความอยากทำอะไรต่างๆอยากเที่ยวอยากทำนู่นทำนี่อยากไปนู่นมานี่อะไรต่างๆเหล่านี้เราต้องมาห้ามความอยากกันหยุดความอยากกันให้ได้เพราะว่าถ้าเราหยุดความอยากได้แล้วเราจะอยู่เฉยๆได้เราไม่มีเงินไปเที่ยว เราก็อยู่เฉยๆได้ไม่มีทุกข์อยู่เฉยๆอย่างสบายร่างกายไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการไม่สามารถไปทำอะไรตามความอยากของเราได้เราก็มีความสุขได้เราก็อยู่เฉยๆได้ถ้าเราสามารถดืดความอยากได้นี่คือ การแก้ปัญหาที่ถูกต้องเราต้องมาแก้ที่ความอยากต่างๆความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสปุถะภาเรียกว่ากามะตัญหาความอยากมีอยากเป็นหรืออยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้อยากให้คนนั้นทำอย่างนั้นอยากให้คนนั้นทาอย่างนี้ อยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้คนนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยเราต้องอย่าไม่มีความอยากเหล่านี้แล้วความไม่สบายใจจะไม่เกิดขึ้นถ้ามีแล้วมันจะเกิดมันจะหายก็เฉพาะเวลาที่เราได้ตามที่เราอยากได้เท่านั้นพอเราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอเราได้มาเราก็ดีใจมีความสุข แต่เดี๋ยวพอสิ่งนั้นที่เราได้มามันหายไปมันหมดไปความไม่สบายใจก็กลับคืนมาใหม่ล้วมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ว่าเราจะหาอะไรได้มามากน้อยเพียงไรไม่นานไม่ช้าก็เร็วของที่เราได้มามันก็ต้องมีการเปลี่ยนไปมีการเสื่อมไปมีการเสียไป หรือมีการหายไปได้พอมันเสื่อมไปเปลี่ยนไปเสียไปความสุขที่ได้จากมันก็หายไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่นะดังนั้นวิธีแก้ปัญหาต้องมาแก้ที่ความอยากนี่ ความอยากมีอยากเป็นหรือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่ให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นอยากไม่ให้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้เช่นอยากไม่ให้อากาศร้อนพออากาศร้อนมันก็ทำให้เราไม่สบายใจถ้าเราไม่มีความอยากให้อากาศมันร้อนเวลามันร้อนเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยแต่เราไม่สามารถหยุดความอยากควบคุมความอยากของเราได้เพราะมัน เป็นเหมือนกับเป็นเจ้านายเราเราสั่งมันไม่ได้มันมีแต่คอยสั่งเราสั่งให้เราไปทำตามความอยากต่างๆเราไปสั่งให้มันหยุดอยากไม่ได้เพราะว่าเราไม่เคยต่อสู้กับมันถ้าเราอยากจะให้มันหยุดอยากเราก็ต้องปฏิวัติเราต้องต่อสู้กับมัน มันสั่งให้เราอยากแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ทำตามอพอไม่ทำตามต่อไปมันก็ไม่กล้ามาสั่งเราแต่ถ้ามันสั่งเราได้มันก็จะมาคอยสั่งเราอยู่เรื่อยแปากาแฟมาถ้วยซอะแปะขนมมาอันซอะเราก็ทำตามมันถ้ามันสั่งเราข่าวหน้าบอกแปากาแฟมาถ้วยาาแมวขีเ้เกียจเอามึงอยากได้ไปเอาเองอ มันไปไม่ได้เพราะมันไม่มันต้องรอให้เราไปหยิบให้มันเออมันไม่สามารถไปทําอะไรตามที่มันอยากได้มันต้องรอให้เรารับคําสั่งแล้วไปทําตามคําสั่งถ้าเราดื้อกับมันสักอย่างไม่ทําตามมันสักอย่างเดี๋ยวมันก็เลิกสั่งเราเอเลิกอยากความอยากมันก็จะหายไปอย่างง่ายๆแค่เนี้ยแต่เราสู้มันไม่ได้พอมันสั่งปั๊บนี้ ต้องรีบไปทันทีสั่งให้ไปเที่ยวเดี๋ยวก็ต้องไปทันทีสั่งให้ไปดูหนังก็ไปดูทันทีสั่งให้ไปฟังเพลงไปดูคอนเสิรต์ตเดี๋ยวก็ต้องไปทันทีนี่เราเคยเป็นที่ค่ามันมาจนเรางอหัวไม่ขึ้นะพอมันสั่ง ป, ปุ๊บนน่ต้องรีบทําทันทีเพราะถ้าไม่ทาแล้วมันจะ ผลิตความไม่สบายใจขึ้นมานั่นเองเราทนต่อความไม่สบายใจไม่ได้เราเลยต้องไปทำตามความอยากแตตอนนี้พวกเราโชคดีที่เราได้มาพบกับพระพุทธเจ้าหรือตัวแทนของพระพุทธเจ้าผู้ที่รู้จักวิธีต่อสู้กับความอยากผู้ที่รู้จักวิธี ปฏิวัติความอยากผู้ที่สามารถฝืนคำสั่งของความอยากได้รู้จักวิธีฝืนคำสั่งของความอยากถ้าเราอยากจะเอาชนะความอยากถ้าเราอยากจะไม่ให้ความอยากมาเป็นเจ้านายเราอีกต่อไปถ้าเราอยากจะไม่ทำตามความอยากเราก็ต้องทำตามที่พุทธเจ้าสงสอน วิธีจะหยุดความอยากก็คือให้เรามาหยุดความคิดกันให้เรามาทำใจให้สงบกันถ้าเราทำใจให้สงบความอยากมันก็จะไม่สามารถทำงานได้เวลามันสั่งให้เราไปทำอะไรเราก็ไปนั่งสมาธิแทนถ้าเรานั่งสมาธิได้ความอยากที่คาสั่งที่มันสั่งมันก็จะเป็นโมฆะไป พอเรานั่งสมาธิใจสงบคำสั่งนั้นมันก็หายไปนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะมาหัดทำกันให้ได้คือมาหัดหยุดความคิดหยุดคำสั่งของความอยากให้ได้เพราะถ้าเราหยุดมันได้แล้วทีนี้เราจะสบายเราจะอยู่เฉยๆอย่างมีความสุขได้ ไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับเราร่างกายไม่สามารถทาอะไรก็ไม่เป็นปัญหาเพราะเราไม่ต้องการเราไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับเราเราก็เลยไม่ต้องใช้ร่างกายพาเราไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราร่างกายจะแก่จะเจ็บไข้ได้ป่วยจะพิกลพิการ จะเป็นอะไรมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรกับเราเพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายเรารู้จักวิธีทําใจของเราให้มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องทําตามความอยากต่างๆนะนี่คือวิธีแก้ปัญหาที่ถ้าวรเพราะเมื่อเราสามารถ กำจัดความอยากได้หยุดความอยากได้เราก็ไม่ต้องมีเงินทองไม่ต้องหาเงินหาทองพอเงินทองส่วนหนึ่งส่วนมากก็คือส่วนใหญ่ที่เราหากันก็เอาไปรับใช้ความอยากนี่ เ, เราต้องคอยเตรียมเงินไว้รับตอบสนองเจ้านายเอาเจ้านายสั่งว่าฮะไปซื้อกาแฟมาขวดหนึ่งก็ต้องมีเงินไปซื้อ ไปซื้อเบียร์มาขวดหนึ่งก็ต้องมีเงินไปซื้อไปซื้อเหล้ามาขวดหนึ่งก็ต้องมีเงินไปซื้อถ้าไม่มีเงินซื้อเจ้านายก็จะอาละวาดะจะแสดงอาการไม่ดีขึ้นมาให้กับเราเราก็จะทุกข์ทรมานเวลาที่เราไม่สามารถทำตามคำสั่งของเจ้านายเราได้ เจ้านายสั่งให้เราไปเอาไอ้นั่นมาเอาไอ้นี่มาเราก็ต้องไปเอามาให้ได้ถ้าเอามาไม่ได้เดี๋ยวเจ้านายมันจะอรารวาสมันจะสร้างความทุกข์สร้างความไม่สบายใจให้กับเราแต่ถ้าเราสามารถดื้อกับคำสั่งได้ถ้าเราสามารถทําใจให้นิ่งให้สงบได้เจ้านายจะไม่สามารถอรารวาสได้ จะไม่สามารถสร้างอารมณ์สร้างความรู้สึกไม่ดีต่างๆให้ปรากฏขึ้นมาได้เพราะว่าเราสามารถควบคุมความอยากได้เราสามารถหยุดความอยากได้ด้วยการทําใจให้สงบนพอใจสงบแล้วทีนี้ใจเราก็จะเย็นจะสบาย ไม่มีใครมาสั่งให้เราต้องไปทำนูน่นทำนี่ต้องไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้มีความสุขเพราะอยู่เฉยๆก็มีความสุขแล้วไม่เห็นมีความจำเป็นที่จะต้องไปมีอะไรเพราะสิ่งที่มีก็เป็นความสุขเดี๋ยวๆเป็นความสุขที่ต้องคอยมาหามาเติมอยู่เรื่อยๆพอมันหมดก็ต้องหามาเติมใหม่ พอดื่มกาแฟาหมดก็ต้องไปหามาดื่มใหม่พอดื่มเบียร์หมดก็ต้องไปหาเบียร์มาดื่มใหม่พอดื่มสุราหมดก็ต้องไปหาสุรามาดื่มใหม่มันก็ต้องคอยหาอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าหาไม่ได้มันก็จะเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเกิดหุดเกิดความหงุดหงิดนําคาญใจไม่สบายใจขึ้นมา เราจึงควรที่จะมาเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันอย่าไปหาความสุขด้วยการทำตามความอยากมันเพราะมันเป็นการหาความทุกข์กันเพราะมันจะต้องมีเวลาใดเวลาหนึ่งที่เราจะไม่สามารถทำตามความอยากได้เงินทองอาจจะไม่พอใช้ร่างกายอาจจะไม่สบายพิกรพิการ เจ็บไข้ได้ป่วยหมอห้ามไม่ให้ดื่มสุราหมอห้ามไม่ให้ดื่มอของที่เป็นอันตรายต่อร่างกายถ้าดื่มก็จะทำให้ร่างกายยิ่งเจ็บไข้ได้ป่วยมากขึ้นตอนนั้นเราก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจนั้นตอนนี้เราโชคดีเราได้พบกับคนฉลาด คือพระพุทธเจ้าหรือตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคําสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกหรือพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าผู้รู้จักวิธีกําจัดความอยากให้หมดสิ้นไปจากใจผู้รู้จักวิธีทําใจให้มีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไร ถ้าเราเข้าหาบุคคลเหล่านี้เราก็จะได้เรียนรู้วิธีที่จะมาทำให้เราไม่ต้องมีความทุกข์ที่เกิดจากความอยากกันอีกต่อไปคือเราจะต้องเราก็จะได้มาเรียนรู้ว่าเราต้องมาควบคุมความคิดกันให้ได้เราต้องมาหยุดความคิดกันให้ได้ถ้าเราหยุดความคิดได้ ใจเราจะเย็นจะสบายจะไม่มีความอยากมาสั่งให้เราไปทำอะไรให้ไปหาอะไรแล้วถ้าถ้าเราไปหาไม่ได้มันก็จะสร้างความไม่สบายใจให้กับเรานะี่นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะมาหากันแทนที่จะไปหาไปทาอะไรตามความอยาก ให้เรามาหัดหยุดความคิดหยุดความอยากกันดีกว่ามันไม่ได้เป็นของยากเย็นการแบกของหนักนี้มันยากกว่าการมาหยุดความคิดความคิดนี้มันเป็นของเบาจะตายไปไม่เหมือนคนที่ต้องแบกของหนักหรือคนที่ต้องวิ่งมาลอทอนอย่างี้วิ่งเหนื่อยจะตายไปสู้มาหยุดความคิดนี้ มันไม่ได้เป็นของยากเย็นเลยเพียงแต่หยุดด้วยการใช้คําบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปเท่านั้นเองคำว่าคาบริกรรมพุโทโธก็ไม่ใช่เป็นของยากมันก็เป็นความคิดแบบหนึ่งเราคิดได้ทั้งวันอยู่แล้วตั้งแต่ตื่นมาจนถึงบัดนี้เราได้หยุดความคิดกันหรือยังเราคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ คิดเรื่องนั้นเสร็จก็มาคิดเรื่องนี้ต่อคิดเรื่องนี้เสร็จก็ไปคิดเรื่องโน้นต่อคิดถึงพรุ่งนี้คิดถึงเมื่อวานนี้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้เราคิดอยู่ได้ทั้งวันแล้วทำไมเราคิดแค่คาว่าพุทโธคาเดียวคิดไม่ได้มันก็เป็นความคิดเหมือนกันลองคิดแบบนี้อยู่เ่ยแล้วมันจะเห็นว่าการคิดพุทโธพุทโธนี้มันเป็นของง่ายง่ายจะตายไป ว่เราคิดอยู่แล้วเพียงแต่เราเปลี่ยนหัวข้อของความคิดนั่นเองแทนที่จะคิดถึงขนมคิดถึงกาแฟคิดถึงภาพยนตร์คิดถึงเพลงคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้คิดถึงคนนั้นคนนี้ก็ให้คิดถึงพระพุทธเจ้าคนเดียวทั้งนี้ทำไมจะคิดไม่ได้กัน ลองคิดดูสิถ้าตั้งใจคิดจริงๆมันจะไปยากตรงไหนถ้าเราไม่เคยคิดมาก่อนคิดไม่เป็นมาก่อนนี้ยังก็อาจจะพอที่จะเห็นว่ามันคงจะยากนะถ้าเราไม่เคยคิดเลยแล้วต้องมาหัดคิดกันเนี่ยแนี้เราคิดกันจนชำนาญคิดมาตั้งแต่วันเกิดคิดจนคิดทุกเรื่องคิดเรื่องไหนก็คิดได้หมดอยากใช้คิดเรื่องอะไรก็คิดได้หมด แต่ทำไมให้มาคิดเรื่องนี้เรื่องเดียวคิดไม่ได้กันมันน่าแปลกใจเหมือนกันนะทำไมคิดคำพูดโทคคำเดียวไม่ได้หรือคิดคำว่าตายคำเดียวไม่ได้คิดว่าคำว่าตายก็ได้ตายตายตายตายตายตายตายตายตายคิดอยู่ข้างนี้คิดแต่คำเดียวว่าตายถ้าคิดถึงความตายเราก็เรียกว่ามรณานสติ หรือการสร้างสติด้วยการคิดถึงความตายถ้าคิดถึงพุทธโธก็เรียกว่าพุทธานุสติก็เรียกว่าสร้างสติด้วยการระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงชื่อของพระพุทธเจ้าคิดถึงพืชื่อของพระพุทธเจ้าก็มีเท่านี้ไม่เห็นมันจะยากเย็นตรงไหนทำไมไม่ทำกันเพราะว่าประโยชน์ที่เราจะได้รับผลที่เราจะได้รับนี้มันยิ่งใหญ่ มีคุณค่ามากกว่าเงินทองเป็นหมื่นล้านแสนล้านเพราะเงินทองหมื่นล้านแสนล้านก็ไม่สามารถมาหยุดความอยากได้ไม่สามารถมาหยุดความไม่สบายใจที่เกิดจากความอยากได้แต่ถ้าเรามีสติเราสามารถที่จะหยุดความคิดได้หยุดความอยากได้แล้วความสุขที่เราได้จากการหยุดความคิดหยุดความอยาก มันก็ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่เราได้จากการได้เงินมาเป็นหมื่นล้านแสนลักทำไมเราไม่มาทำกันของง่ายๆอย่างนี้มันไม่ใช่เป็นของยากเย็นแม้แต่เด็กก็สอนได้สอนให้พุทโธพุทโธเด็กมันก็พุทโธพุทโธได้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ลึกลับซับซ้อนหรือยากเย็นตรงไหนเลย มันเป็นความคิดแบบหนึ่งแทนที่เราจะคิดหาขนมคิดหาที่เที่ยวคิดหาอะไรดูหาอะไรฟังซึ่งเป็นของยากเรากลับทําได้คิดไปเที่ยวนี้ไม่ใช่จะเป็นของง่ายนะคิดไปเที่ยวกล่าจะได้ไปเที่ยวนี้มันต้องเตรียมการมากน้อยเพียงไรพอคิดจะไปเที่ยวก็ต้องดูเงินในบัญชีแล้วว่าเฮ้ยมีเงินพอหรือเปล่ามีเงินจ่ายค่า ค่าตั๋วหรือบินค่าที่พักหรือเปล่าหรือถ้าเป็นทัวร์เหมาก็มีเงินจ่ายค่าทัวร์เหมาหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ต้องไปหาเงินเงินก่อนนะของพวกนี้ยากแสนยากกับทากันได้แต่เพียงแต่ให้หยุดความคิดเท่นี้นกับกลายเป็นของทาไม่ได้ไปทั้งทั้งที่ง่ายยิ่งกว่าการไปทำคิดตามความอยากต่างๆเนี่ยลองมาหัดดูซิ ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับเนี่ยลองหาวันไหนที่เราไม่ต้องทำงานไม่ต้องใช้ความคิดแล้วก็ลองไปอยู่คนเดียวแล้วก็ลองหัดหยุดความคิดด้ดวยการให้มันคิดพุทโธพุทโธสลับกับตายก็ได้พุทโธพุทโธเบื่อก็เอาตายตายตายบ้างก็ได้เกิดมาแล้วต้องตายเกิดมาแล้วต้องตายไม่มีใครร่วงพ้นจากความตายไปได้ ให้มันอยู่แค่นี้ให้มันตายตายตายตา ย, ตายให้มันพุโทโธพุโทโธพุโทโธหรือถ้ามันเบื่อก็ลองนั่งเฉยๆแล้วดูลมหายใจแทนก็ได้ดูลมหายใจให้รู้ว่าลมกําลังหายใจเข้ากําลังหายใจออกอย่าไปคิดเรื่องอื่นให้คิดอยู่กับเรื่องลมให้คิดว่าตอนนี้ลมเข้าตอนนี้ลมออกท่านั้นเองสลับกันไปทําอย่างนี้ไป รับรองได้ว่าเดี๋ยวใจก็จะสงบแล้วใจจะเย็นจะมีความสุขขึ้นมาแล้วจะไม่มีความอยากมาคอยสั่งให้เราต้องไปทำอะไรต้องไปวุ่นวายกับอะไรต่างๆนานาอานี่เป็นของง่ายๆของที่มีอยู่ในตัวเราแล้วคือความคิด เอาความคิดที่ดีมากำจัดความคิดที่ไม่ดีความคิดไม่ดีก็คือความคิดที่ไปตับไปกับความอยากที่ทำให้เกิดความอยากอยากไปคิดเอามาคิดกับความคิดที่ทำให้ไม่เกิดความอยากให้หยุดความอยากใช่ไหมคิดถึงพุทโธพุทโธพุทโธ ถ้าเบื่อพุทโธก็เปลี่ยนเป็นธรรมโมธรรมโมสังโคสังโคถ้าเบื่อก็เปลี่ยนเป็นพุทธังสารนังกะชฉามิธรรมังสารนังกะชฉามิสังขังสารนังกัจฉามิก็ได้ถ้าเบื่อคิดเบื่อท่องก็มาดูมาดูร่างกายว่ากำลังทำอะไรอยู่ก็ได้กำลังเดินก็เออก็เดินไปกับมันซ้ายขวาซ้ายขวาไปกับมัน ร่างกายกำลังรับประทานอาหารก็รับประทานอาหารไปกับมันให้ไปทำอะไรกับร่างกายอย่าไปคิดอะไรนอกเหนือจากการจากสิ่งที่ร่างกายกำลังทำอยู่นี่เป็นอุบายวิธีต่างๆที่เราจะสร้างสติกันที่เราจะใช้เป็นเครื่องมือหยุดความคิดหยุดความอยากกันลองทำดูซิ มันไม่ยากเย็ยนเกินความสามารถของพวกเราเพราะมันเป็นเรื่องที่เราทำมาอยู่ทุกวันอยู่แล้วคือคิดอยู่ทุกวันอยู่แล้วเพียงแต่ให้เราเปลี่ยนเรื่องคิดเท่านั้นเองกานที่จะไปคิดถึงเงินทองคิดถึงที่ท่องเที่ยวคิดถึงที่ช้อปปิง้งคิดถึงของอะไรต่างๆให้มาคิดเรื่องที่ มันจะทำให้เราไม่มีความอยากไม่ดีกว่าเลยเพราะเวลาไม่มีความอยากใจของเราเย็นใจของเราสบายพอเวลาเกิดความอยากขึ้นมาใจของเราจะร้อนยินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายไปดูพวกที่อยากเป็นสอส อ, อยากเป็นรัฐบาลกันตอนนี้ยังไม่ออกมาผลยังไม่ออกมา กินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระสายกันเพราะว่าความอยากอยากมันก็จะคิดว่าเมื่อไหร่จะตั้งรัฐบาลได้สักทีเมื่อไหร่จะได้เสียงมากสักทีไปขอคนนู้นแล้วขอคนนี้แล้วไปตกลงกันแล้วไปต่อรองกันแล้วโอ้ยวุ่นวายกันไปหมดใช่ไหมพอมีความอยากแล้วมันอยู่ไม่เป็นสุขกันมันวุ่นวายกันไป แต่ถ้าไม่ไปคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้คิดแต่พุโทโธพุโทโธพุโทโธใครจะเป็นรัฐบาลก็เป็นไปใครจะเป็นนายกก็เป็นไปมันก็ต้องมีนายกเหมันต้องมีรัฐบาลอยู่ทุกยุคทุกสมัยอยู่แล้วใครมาเป็นมันก็เหมือนกันแหละมันก็เป็นเหมือนคนขับรถนะจะเอาใครมาขับรถมันก็ขับรถเหมือนกันะรถมันก็ต้องวิ่งไปตามถนนที่มันวิ่งอยู่รถประจําทางรถเมย์ จะเปลี่ยนคนขับกี่คนมันก็ต้องวิ่งทางเดียวกันนะสายสิบห้ามันก็ต้องวิ่งอยู่ในสายสิบห้าสายสามสิบมันก็ต้องวิ่งอยู่ในสายสามสิบเนีรัฐบาลใครจะมาขับใครมาเป็นหัวหน้ามันก็ต้องพาขับประเทศไปตามทิศทางที่ประเทศต้องไปนะ เราก็ยกง Montreal, ังต้องใช้พระ เ, เ, เ, เ, เราก็ยังต้องจ่ายภาษีเหามือนเดิมเราเป็นคนเลือกตั้งเราก็ยังต้องจ่ายภาษีเหมือนเดิมยังต้องจ่ายค่าน้าค่าไฟเหมือนเดิมยังต้องจ่ายค่าแท็กซี่ค่ารถเมย์เหมือนเดิมยังต้องจ่ายค่าอาหารเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมทุกอย่างไม่ว่าใครจะมาเป็นนายกใครจะมาเป็ น, นรัฐบาลเราก็ยังต้องทำอะไรเหมือนเดิมอยู่ แล้วเราทาไมจะต้องไปวุ่นวายกับใครจะมาเป็นนายกใครจะมาเป็นรัฐบาลให้คิดอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่ไปอยากให้รัฐบาลเป็นอยากให้นายกเป็นคนนั้นอยากให้นายกเป็นคนนี้อยากให้รัฐบาลเป็นคนนั้นเป็นคนนี้เป็นใครมันก็เหมือนกันนั่นะใครมาเป็นก็ยังต้องจ่ายภาษีเหมือนเดิมใครมาเป็นก็ยังต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟเหมือนเดิม ออถ้ามีนายกคนใหม่มาบอกว่าต่อไปนี้ไม่ต้องเสียภาษีนะถ้าเราเป็นนายกต่อไปนี้ไม่ต้องจ่ายค่าน้าค่าไฟฟรีทุกอย่าง อ, อ, อย่างนี้น่าจะคิดน่าอยากน่าจะเชียร์ซะหน่อยอยากจะได้นายกอย่างนี้สักคนหนึ่งแต่มีได้ไหมนายกแบบนี้จะมีได้ยังไงเมื่อมันไม่มีภาษีมันก็จะมันจะไม่มีเงนินจะไปจ่ายค่าน้าค่าไฟให้กับเรา มันก็ต้องมาเก็บภาษีจากเราอยู่ดีนะนี่คือเรื่องของความคิดถ้าปล่อยให้มันคิดแล้วมันจะไหลไปกับความอยากพอเกิดความอยากแล้วใจก็จะกะวนกังวายกระสับกระส่ายหงุดหงิดลำคาญใจเวลาที่ไม่ได้ทําอะไรตามความอยากเสียใจร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจ เกิดอาการซึมเศร้าอะไรต่างๆขึ้นมานี่คือผลที่เกิดจากความคิดที่คิดไปทางความอยากต่างๆแต่พวกที่คิดไปทางพุทโธพุทโธนี่จะยิ้มแย้มแจ่มใสจะเบาอกเบาใจสบายอกสบายใจอดูหลงปู่หลงตาท่านไม่ทุกข์ท่านไม่วุ่นวายท่านไม่ไปเครียดอะไรกับใคร ว่าท่านพุโทโธพุธโทโธของท่านอยู่เรื่อยๆดูลมหายใจเข้าออกอยู่เรื่อยๆคิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆใจมันเลยหดเข้าความอยากมันก็เลยหดเข้าไปนี่เป็นเหมือนกับการาทำให้ต้นไม้มันตายอย่าไปให้น้ำมันถ้าไม่ให้น้ำมันเทของที่เป็นพิษให้กับมันเดี๋ยวมันก็ตาย เทน้ํามันเข้าไปที่รากโคนต้นไม้เดี๋ยวต้นไม้ก็ตายชั้นใดถ้าเราไม่อยากให้ความอยากมันจเจริญรุง่งเรืองเราก็ต้องเทพุโทโธใส่เข้าไปคิดถึงความตายคิดถึงพุโทโธหยุดความคิดที่จะพาให้เกิดความอยากขึ้นมาความอยากมันก็จะโผล่ขึ้นมาไม่ได้ พอไม่มีความอยากใจของเราก็จะเบาจะสบายเวลาเกิดความอยากก็จะรู้สึกหนักอกหนักใจขึ้นมาทันทีหนักอกหนักใจกับคนนั้นคนนี้เช่นมีลูกแต่ลูกสา ม, มเณรเทเม้อไม่ยอมไปทำงานชอบเที่ยวเตะใช้เงินไม่หาเงินเอาแต่ใช้เงินกินเหล้าเมายา เที่ยวผู้หญิงอะไรทำนองนี้จะให้ทำยังไงพอคิดถึงลูกทีไรก็หนักอกหนักใจขึ้นมาทันทีเพราะอะไรเพราะอยากให้แม่อยากให้เขาไม่เป็นอย่างนี้นั่นเองอยากให้เขาเป็นคนดีอยากให้เขาขยันทำมาหาเกินหาเงินหาทองอยากให้เขาเลี้ยงตัวเองได้ช่วยตัวเองได้ตอนนี้เขาต้องมาอาศัยเราอยู่ เขาต้องมาอขอเงินเราใช้เราไม่ให้เขาเขาก็โกรธเราเราให้เขาใช้เขาก็จะเสียขนเขาก็จะติดเสียนิสัยเขาก็จะรู้จักแต่ใช้เงินไม่รู้จักหาเงินหาทองพอเราคิดถึงเขาที่ไรมันก็เกิดความหนักอกหนักใจขึ้นมาทันที นี่แหละคือความคิดอย่าไปคิดว่าความคิดนี้มันมันไม่เป็นพิษเป็นภัยนะคนเราที่ฆ่าตัวตายกันนี่ก็เพราะความคิดนะไม่ใช่เพราะอะไรหรอกคิดไปทางความอยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็เสียใจก็อยากจะฆ่าตัวตายกันคิดไปแล้วก็ซึมเศร้าก็มีซึมเศร้ามากมากก็ฆ่าตัวตาย ความคิดเนี่ยมันเป็นตัวร้ายกาศมันเป็นตัวที่เป็นทั้งคุณและเป็นทั้งโทษถ้าเราคิดเป็นนี่มันจะผลิตแต่ความสุขผลิตแต่ความสุขใจสบายใจเบา อ, อกเบาใจถ้าเราคิดไม่เป็นมันก็จะคิดให้เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราต้องมา หัดควบคุมความคิดกันตอนต้นต้องหยุดความคิดให้เป็นก่อนถ้าเรายังหยุดความคิดไม่ได้เราจะไปเปลี่ยนความคิดไม่ได้เคยคิดอย่างไรจะให้มันคิดไปอีกแบบหนึ่งมันจะไม่คิดเคยคิดแต่กินเหล้ามันก็จะคิดแต่กินเหล้าพอถึงเวลาห้าโมงเย็นทุ่มหนึ่งเดี๋ยวมันก็คิดถึงขวดเหล้าแะ มันเคคิดถึงอย่างไรเวลาถึงเวลานั้นมันก็จะคิดเรื่องนั้นทันทีอยากจะคิดถึงดูนู่นดูนี่ถึงเวลามันก็อยากจะดูนู่นดูนี่เปิดขึ้นมาดูคิดถึงเที่ยวเวลาที่จะไปถึงเวลาเที่ยวมันก็จะออกเที่ยวทันทีนี่คือความคิดคิดแล้วมันจะเป็นกลายเป็นนิสัยไปมันจะติดเป็นนิสัยมันจะคิดแบบเดิมๆอยู่เรื่อย แล้วอยู่ดีๆจะมาเปลี่ยนนิสัยบอกว่าวันนี้ไม่ดื่มเหล้าเป็นไปไม่ได้วันนี้ไม่ไปเที่ยวเป็นไปไม่ได้วันนี้ไม่ไปดูหนังดูละครเป็นไปไม่ได้ถ้ามันเคยคิดเคยทำอะไรอยู่มันก็จะคิดจะทำอย่างนั้นแล้วถ้ามันไม่ได้ทำมันก็จะเกิดอาการหงุดหงิดเกิดอาการไม่สบายใจขึ้นมามันจึงฝืนความคิดความอยากไม่ได้ พอคิดแล้วต้องทำตามความคิดให้ได้ไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวอาการไม่สบายจะเกิดขึ้นมาอาการหงุดหงิดอาการลาคาญใจไม่สบายใจจะเกิดขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเรารู้ว่ามันเกิดจากความคิดของเราเราก็มาหยุดมันซิมาหยุดมันด้วยการบังคับให้มันคิดพุทโธพุทโธพุทโธไปหรือให้มันนั่งเฉยๆแล้วก็ดูลมหายใจไปหายใจเข้าหายใจออก ดูนั่งดูเฉยๆมันจะยากตรงไหนดูหนังดูละครมันยากกว่าเดยซ้ำไปเพอาดูหนังดูละครมันยังต้องคอยคิดตามด้วยว่าตอนนี้เขาทำอะไรกันอยู่เ ข, เขาพูดอย่างนี้เขามีความหมายว่าอย่างไรอย่างต้องนั่งคิดนั่งอะไรอยู่แต่ให้นั่งดูลมนี่ไม่ต้องคิดอะไรเลยให้เพียงแต่เฝ้าดูลมเฉยๆง่ายกว่าสบายกว่าน่าได้ประโยชน์มากกว่า กับทำไม่เป็นกันกับไม่หัดมาทำกันน้องเปลี่ยนวิธีการแค่ทำอะไรต่างๆของเราเปลี่ยนความคิดของเราดูตอนต้นก็หยุดความคิดก่อนเพราะจะเปลี่ยนความคิดจากหน้ามือเป็นหลังมือนี้มันทำไม่ได้ทันทีเหมือนจะกลับรถนี้ต้องหยุดรถก่อนวิ่งไปทางนี้แล้วอยากจะกลับไปอีกทางหนึ่งนี้ ก็ต้องหยุดรถก่อนแล้วถึงค่อยเลี้ยวกลับได้ถ้ารถวิ่งไปอยู่ดีๆแล้วจะเลี้ยวกลับมันเลี้ยวกลับไม่ได้นอกจากถ้าเขามีทำทางเลี้ยวให้เลี้ยวกลับเท่านั้นแต่ถ้าเป็นถนนที่ไม่มีทางเลี้ยวกลับก็ต้องหยุดรถก่อนหยุดแล้วถึงจะกลับรถได้ถึงจะไปอีกทิศทางหนึ่งได้ความคิดของเราก็เหมือนกันเราคิดไปทางความอยากมานานแสนานานแล้ว ทีนี้เราได้มาพบกับคนรู้ว่าการคิดไปกับความอยากนี่มันพาเราไปสู่ความทุกข์พาเราไปสู่ความวุ่นวายใจถ้าเราไม่อยากจะไปพบกับความทุกข์ความวุ่นวายใจเราก็ต้องหยุดมันก่อนหยุดความคิดก่อนหยุดแล้วเราค่อยเปลี่ยนความคิดกลับลดกับความคิดของเราให้คิดไปอีกทางหนึ่งคิดไปในทางที่จะทาให้เราไม่อยาก เท่านั้นแหละต่อไปพอเราคิดไปในทางที่ไม่อยากความอยากมันก็จะไม่โผล่ขึ้นมาความอยากมันก็จะหายไปเห็นอะไรเมื่อก่อนเราเห็นว่าเห็นแล้วอยากได้เพราะอะไรก็เพราะเราไปเห็นว่ามันดีนั่นเองเห็นว่ามันให้ความสุขกับเราเราก็เลยอยากได้แต่ถ้าเรามองจริงๆวิเคราะห์จริงๆเราจะเห็นว่าความสุขที่มันให้นี้มันมีความทุกข์ซ่อนอยู่ข้างหลังเออ พอความสุขหายไปความทุกข์ก็โผล่ขึ้นมาอันนี้เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นกันถ้าเรามาพบกับคนที่เห็นคือพระพุทธเจ้าท่านจะสอนให้เรามองให้เห็นว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นสุขนี้ความเป็นจริงแล้วมันเป็นความทุกข์มากกว่าทุกข์เพราะว่ามันมีการเสื่อมได้มีการเปลี่ยนได้มีการหมดได้นั่นเองแล้วเราก็ไปห้ามมันไม่ได้ ไบห้ามไม่ให้มันเสื่อมใบห้ามไม่ให้มันเปลี่ยนใบห้ามมันให้มันไม่หมดไม่ได้เนี่ยเพราะเราเห็นอย่างนี้แล้วถ้าเราคิดอย่างนี้ตามความเป็นจริงแล้วเราเห็นอะไรแทนที่จะอยากได้เราก็จะไม่อยากได้เพราะมันเป็นทุกข์นั่นเองถึงแม้จะมีความสุขก็เป็นความสุขที่บังอยู่ข้างหน้าบังความทุกข์อยู่ข้างหน้านิดหน่อยแล้วเดี๋ยวความสุขที่ได้มันก็จะจางหายไป แล้วเดี๋ยวความทุกข์ก็จะตามเข้ามาทันทีนี่คือวิธีเปลี่ยนความคิดต้องเห็นว่าสิ่งที่เราเคยเห็นว่าสุขนี้มันจะต้องเป็นทุกข์เพราะว่าสิ่งที่เราได้มานั้นมันจะต้องมีการเปลี่ยนไปมีการหมดไปนั่นเองเรียกว่าอนิจจัง <c oughs> พอมันเป็นอนิจจังทุกขังก็โผล่ขึ้นมาทันทีอานาตาก็เป็นเพราะว่ามัน ที่มันโผล่ขึ้นมาก็เพราะว่ามันเป็นอนัตตาเราห้ามไม่ให้มันโผล่ขึ้นมาไม่ได้เราอยากได้แต่ความสุขเราห้ามแต่เราไปห้ามความทุกข์ที่มันมากับความสุขนี้ไม่ได้เพราะความสุขที่เราได้มามันจางหายไปความทุกข์มันก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีเหนไงั้นถ้าเราเห็นความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เราก็จะเปลี่ยนความคิดของเราจากจากการอยากได้ก็เป็นการไม่อยากได้ใครอยากได้ความทุกข์บ้างไม่มีใครอยากได้ความทุกข์เมื่อเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้มันจะให้ความทุกข์กับเราเราก็ไม่อยากได้ที่เราอยากได้กันก็เพราะเราไม่เห็นความทุกข์ที่มันติดมากับความสุขนี่เองนะนี่คือวิธีเปลี่ยนความคิดเื้องต้นเราต้องหยุดความคิดให้ได้ก่อน เมื่อหยุดความคิดแล้วเราก็มาสอนใจให้มองให้เห็นภาพความเป็นจริงว่ามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กันแนะ่มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราห้ามมันเราสั่งมันให้สุขไปอย่างเดียวได้ไหมห้ามไม่ให้มันทุกข์ได้ไหมถ้าห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้มันจะต้องเปลี่ยนไปมันจะต้องเป็นความทุกข์เราก็อย่าไปเอามันดีกว่าเราก็จะไม่อยากได้ขึ้นมาทันที แล้วต่อไปความอยากมันก็จะหายไปหมดถ้าทุกครั้งที่เราเห็นอะไรแล้วเราไปเข็นถ้าเราไปคิดว่ามันเป็นสุขถ้าเราวิเคราะห์ลึกเข้าไปหน่อยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวมันเป็นอนิจจังพอสุขหายไปทุกก็จะโผล่ขึ้นมาทันทียันทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ความอยากได้ก็จะหายไปต่อไปก็จะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจเราต่อไปคิดอย่างไรก็จะไม่คิดไปเพื่อให้เกิดความอยากเพราะรู้ว่าถ้าเกิดความอยากก็จะแสดงว่าเราคิดผิดแล้วเรามองผิดแล้วเรากำลังไปหาความทุกข์กันแล้วว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะไม่ทุกขนะ์ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นมีสิ่งเดียวที่ไม่ทุกข์ก็คือ ใจที่ไม่ไปยุ่งกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นทุกข์ในโลกนี้นั่นเองใจต้องอยู่ตามลำพังอยู่กับความว่างอยู่กับความไม่อยากเท่านั้นถึงจะมีความสุขถึงจะไม่มีความทุกข์ถ้าปฏิบัติไปแล้วมันจะรู้เองมันจะเข้าใจเองขอให้ทำตามขั้นตอนก็แล้วกันขั้นตอนแรกก็มาหัดหยุดความคิดกัน ด้วยการคิดไปในเรื่องที่จะทำให้ความคิดมันหยุดคิดพุทโธพุทโธคิดถึงความตายคิดดูร่างกายว่ากำลังทำอะไรอยู่หรือคิดกับลมหายใจเข้าออกทำอย่างนี้ไปแล้วเดี๋ยวต่อไปความคิดก็จะหยุดหยุดแล้วความสุขก็จะเกิดขึ้นแล้วจะเห็นคุณของการที่เราไม่คิดเห็นคุณของการที่ไม่มีความอยาก แล้วต่อไปเวลาใจมีความอยากก็ให้ศึกษาความจริงว่าสิ่งที่เราอยากมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก น, นะมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราสั่งมันได้หรือไม่ได้ถ้าเราสั่งมันไม่ได้มันจะต้องเปลี่ยนมันจะต้องหมดสุขที่ได้มันก็ต้องหมดไปกับมันทุกข์ก็จะต้องผู้ขึ้นมาให้คิดแบบนี้แล้วต่อไป ความอยากจะคิดไปในทางความอยากมันก็จะไม่มีเพราะมันรู้ว่าคิดไปในทางความอยากก็เท่ากับคิดไปหาความทุกข์นั่นเองแล้วความทุกข์ก็จะไม่มีเพราะเราไม่ไปหามันความทุกข์มันอยู่ของมันอยู่ดีๆเราไปหามันเองถ้าเราไม่ไปหามันมันก็ไม่มาหาเราอย่างนั้นอยู่แค่ปัญหาของเราคือเราชอบไปหามัน ชอบไปหารูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็ไปทุกข์กับมันชอบไปหาเงินทองแล้วก็ไปทุกข์กับมันชอบไปหาตำแหน่งต่างๆแล้วก็ไปทุกข์กับมันถ้าเราไม่ไปหามันมันไม่มาหาเราหรอกแล้วเราจะไม่ต้องทุกข์กับมันนะเรามาหยุดความคิดหยุดความอยากกันแล้วเราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่มีความทุกข์อีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตาย เพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายไปหาอะไรอีกแล้วก็ไม่ต้องมามีร่างกาย อ, อยู่แบบไม่มีร่างกายดีกว่ามีร่างกายแล้วมันเป็นภาระต้องเลี้ยงดูต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายพอไม่มีแล้วสบายไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องทำอะไร อ, อยู่เฉยๆมีความสุขตลอดเวลา อ, อันนี้คือใจนะที่ปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่าง ที่หยุดความอยากทุกทุกทุกความอยากที่มีอยู่ในใจใจก็จะเบาจะสบายเป็นอิสระไม่มีเจ้านายมาคอยสั่งให้ไปทำอะไรอีกต่อไปนี่คือเรื่องของความสุขความทุกข์ของใจอยู่ที่การหยุดความอยากอยู่ที่การไม่ทำตามความอยากอยู่ที่ไม่คิดถึงความอยากต่างๆต้องเกิดจากการมาฝึกหยุดความคิด แล้วก็ฝึกสอนใจให้เห็นว่าสิ่งที่อยากได้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเท่านี้ก็จบแล้วเราก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายอยู่เฉยๆไม่ต้องมีอะไรก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะลิวาหาปุราปะริปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตตาังอุปกาปิอิชิตังปทิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยะถามณีโชติ อาระโสยะาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวา อภิวาทนาสีดิสะนิจังวุธาปจายโนจตารโธรรมวะทานติอายุวันโนสุขังภาลางวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางเฟสบุ๊กเข้ามาสามร้อยยี่สิบแปด y o u t u สอง1้อยสิบเก้าวิทยุออนไลน์สามสิบสามรับฟังข้างบนนี้ห้าสิบเอ็ดคนรวมทั้งหมดหกร้อยสามสิบเอ็ดครับตอนนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอยากจะถามอะไรก็เชิญถามได้ถ้าอยากถามเองก็เขียนใส่กระดาษเข้ามาก็ได้แล้วจะอ่านคำถามให้ คำถามจากทาง facebook คุณรีชาครับคุณแม่ป่วยเป็นตับแข็งระยะสุดท้ายหมอท่านหนึ่งแนะนําให้ประคองอาการไปแต่อีกท่านหนึ่งแนะนําให้เปลี่ยนตับซึ่งการเปลี่ยนตับมีขั้นตอนมากมายและต้องรอรับบริจาคเป็นระยะเวลายาวแล้วก็คุณแม่มีโรคเลือดและลมชักอยู่ด้วย การจะเข้าขั้นตอนรอเปลี่ยนตับนั้นจะต้องเริ่มตรวจสาเหตุของโรคเลือดและลมชักใหม่หมดซึ่งต้องผ่านการเจาะมากมายว่าสามารถเปลี่ยนได้หรือไม่ขอถามว่าหนูควรทำอย่างไร กลัวคุณแม่เจ็บตัวฟรีแล้วยังต้องรอบริจาคตับอีกไม่รู้ว่าจะมีเวลาพอไหมหนูควรตัดสินใจทำอย่างไรดีอีกใจหนึ่งก็กลัวว่าหากคุณแม่มีเวลาพอและพวกหนูไม่ได้ตัดสินใจทำเรื่องเปลี่ยนตับจะเป็นบาปไหมเจ้าคะไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ทำบุญนั้นเองไม่ได้ช่วยเหลือท่านเท่าที่ควรมันก็เป็นเรื่อง ความจริงมันเป็นเรื่องของคุณแม่มากกว่าต้องให้คุณแม่เป็นคนตัดสินใจถ้าเธอรู้เรื่องก็ถามคุณแม่จะเอาอยัางไงจะเปลี่ยนตับหรือจะเปลี่ยนทั้งร่างกายเลยถ้าเปลี่ยนร่างกายเลยก็ให้ร่างกายนี้มันตายไปจะได้ไปเกิดใหม่ได้ร่างกายอันใหม่ดีวกว่ามาเปลี่ยนตับอันเดียวแล้วก็อยู่แบบคนแก่ไปไม่กี่ปีแล้วเดี๋ยวนายที่สุดก็ต้องไปเปลี่ยนร่างกายอันใหม่อยู่ดี นั้ก็อยู่ที่ว่าอยากจะไปทางลัดหรืออยากจะไปทางอ้อมถ้าทางอ้อมก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนตับได้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนหัวใจได้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนนำไส้ได้ก็เปลี่ยนแต่เดี๋ยวนที่สุดมันก็ต้องไปเปลี่ยนร่างกายอันใหม่เมื่อมันเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วมันก็ต้องทิ้งร่างกายอันเก่าไปแล้วมันก็ไปเกิดใหม่ได้ร่างกายอันใหม่ถ้าไปทางตรงก็ไม่ต้องไปทาอะไรให้มันหมดนมหายใจไป ให้มันตายเร็วๆแต่อย่าไปฆ่ามันเท่านั้นเองฆ่าแล้วบาปมันฆ่าแล้วเป็นปัญหาขึ้นมาอย่าไปฆ่าเลี้ยงดูมันไปอยู่กับมันไปจนกว่ามันอยู่ไม่ได้หรือถ้าดีกว่านั้นก็อย่าไปเกิดเลยยิ่งดีใหญ่ถ้าเกิดมีปัญญาเห็นว่า การเกิดมามันก็เหมือนเดิมเดี๋ยวก็กลับมาเจอแบบนี้อีกเกิดมากี่ครัง้งเดี๋ยวก็ต้องมาแกมาเจอความแก่ความเจ็บความตายอยู่ดีสู้อย่าไปเกิดมันดีกว่าสู้อย่าไปมีร่างกายมันดีกว่าถ้าไม่มีร่างกายทำยังไงก็ต้องหยุดความอยากทุกอย่างอยากอยู่ก็ไม่มีอยากตายก็ไม่มีอยู่เฉยๆไปทาใจเฉยๆไป อยากเที่ยวก็ไม่มีอยากจะหาความสุขผ่านทางร่างกายก็ไม่มีมันต้องตัดความอยากสามตัวให้ได้กามาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหากามาตัญหาก็คือความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องตัดไปภาวะตัญหาความอยากอยู่ก็ต้องตัดไปวิภาวะตัญหาความอยากไม่ตายก็ต้องตัดไป อยู่ก็ได้ตายก็ได้อยู่ก็อยู่แบบไม่เที่ยวไม่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอยู่แบบพระอหรหันต์เนี่ยพระอรหันต์ท่านอยู่แบบนั้นเนถ้าอยู่แบบพระอรหันต์ได้ก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่อีกต่อไปคำถามต่อไปจากคุณสติพร้อมรู้สึกตัวเวลานอนฝันเรื่องต่างๆจิตจะไปตามรู้ว่าตอนนี้กำลังฝันอยู่ผมก็จะตื่นตามจิต ที่ไปตามรู้ครับแบบนี้เรียกว่าสภาวะอะไรแต่ตื่นขึ้นมาก็ไม่ได้รู้สึกว่านอนไม่พอครับก็ไม่รู้เหมือนกันมันมันก็ไม่ต้องไปต้องรู้คุณรู้อยู่แล้วมาถามหน่อนทำไมมันก็เป็นสภาวะที่คุณรู้นั่นแหละไม่ต้องมาถามเลยคําถามต่อไปจากคุณสุปราณีถ้าเช้ามาเราใส่บาตรพระ เสร็จแล้วถือศีลห้าเข้าภาวนาเช้ากลางวันและก่อนนอนแล้วก็ฟังธรรมแบบนี้เรียกว่าทานศีลภาวนาได้หรือเปล่าเจ้าคะ่ะอาจจะเรียกได้ว่ามันเป็นชื่อการกระทำแบบเป็นชื่อก็ได้คือทาเป็นแต่มันยังไม่ได้เป็นทานศีลภาวนาอย่างแท้จริงทนะานศีลภาวนาอย่างแท้จริงมันต้อง ทำทานเพื่อกับจัดความอยากเช่นวันนี้อยากจะไปซื้อกระเป๋าใบใหม่ก็เอาเงินที่จะไปซื้อกระเป๋าใบใหม่ไปทำทานนี่อย่างนี้จึงเรียกว่าทำทานศีลก็ต้องรักษาทั้งวันทั้งคืนทุกเวลานาทีแล้วก็ต้องเป็นศีลแปดขึ้นไปแล้วก็ภาวนาก็ต้องภาวนากันแบบทั้งวันทั้งคืนไม่ทำภารกิจอย่างอื่น องนี้ถึงจะเรียกว่าทานศีลภาวนาเต็มรูปแบบที่ทมแบบนี้ก็ทาแบบพอหอมปากหอมคอเช้าก็ใส่บาตรเนี่ยแล้วก็รักษาศีลห้าไม่รู้รักษากี่ชั่วโมงก็ไม่บอกด้วยแล้วนั่งสมาธิก็ไม่ได้บอกว่านั่งกี่ชั่วโมงนั่งกี่นาทีนั้นมันก็อยู่ที่ปริมาณของการกระทาว่ามากมากน้อย ถ้าอยากจะให้ได้ผลเต็มร้อยมันก็ต้องทําเต็มร้อยถ้าทําแค่น้อยละสิบมันก็ได้แค่ร้อยละสิบเนะี่ยคำถามต่อไปจากคุณนุช จ, จิรามีสองคำถามครับคําถามแรกถ้าเราถวายทานกับ พระอาหารหันตแล้วอุทิตให้ญาติที่เกิดในนรกจะได้รับบุญทันทีใหม่เจ้าคะไม่ได้หรอกถ้าอยู่ในนรกออกมารับไม่ได้เหมือนคนติดคุกนะต้องมาต้องมาเป็นขอทานก่อนต้องพ้นโทษจากนรกพ้นโทษจากคุกออกจากคุกมาไม่มีเงินทองทีนี้ก็จะได้ไปขอเงินจากญาติพี่น้องที่รู้จักได้ยงงั้นต้องรอให้พ้นจากนรกก่อนให้มาเป็นเปรตก่อนเป็นขอทานก่อนถึงจะมารอรับส่วนบุญได้ คำถามที่สองอก่อนหนูออกจากทางเดินจงกรมได้แผ่เมตตาให้ดวงจิตทุกดวงแล้วมีอาการขนลุกแต่บางครั้งที่แผ่ก็ไม่มีอาการขนลุกหนูอยากทราบว่าที่แผ่เมตตาให้เขาจะได้รับผลบุญด้วยหรือเปล่าเจ้าค่ะอ๋อไม่ได้แผ่หรอกเป็นแต่เพนความคิดเท่านั้นเองแผ่มันต้องมีคนรับนี่มันไม่มีใครรับัอยากจะแผ่เมตตาก็เอาเงินไปแจกคนนั้นคนนี้นะ เราจะรู้สึกขนลุกขึ้นมาเวลาเห็นคนเขาได้รับเงินจากเราเขาดีออกดีใจน้องห่มน้องให้เราก็เกิดความปิติเกิดความสุขใจขนลุกขึ้นมาได้นี่คือการแผ่เมตตาต้องมีแผ่ด้วยการกระทำไม่ใช่แผ่ด้วยความคิดแผ่ด้วยความคิดยังไม่สมบูรณ์ <c oughs> คำถามต่อไปจากคุณเอบีมีสองคำถามครับคำถามแรกถ้าบวชชีอยู่วัดควรกลับบ้านบ้างไหมเจ้าคะหรือควรตั้งตนอย่างไรกับพี่น้องทางบ้านและควรขายบ้านไหมคะ อ, อ๋อถ้าบวชจริงก็ไม่กลับแล้วล่ะบวชแบบพระก็ไม่กลับบวชแบบพราะพรุทธเจ้าก็ไม่กลับล่ะมุ่งหน้าไปสู่พระนิพพา น, านเพียอย่างเดียวพ อ, อได้พระนิพพานแล้วที่จะกลับไปโปรดบ้านไปบสถพี่น้องในบ้านก็ได้ ไปสั่งไปสอนเขาก็ได้ถ้าเขานิมนต์ไปก็ เ, เชิญไปแต่ถ้าเขาไม่เชิญก็ไม่ไปนะถือว่าตายจากกันไปแล้วการไปบวชนี้ถือว่าตายจากญาติพี่น้องตายจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยมีแล้วไปเกิดใหม่ไปเกิดเป็นนักบวชมุ่งไปสู่พระนิพพานเี่คำถามที่สองเราเป็นนักบวช พอมีธุระมีญาติมาพาไปเราจะทำอย่างไรกับความอยากเจ้าค่ะก็อย่าไปสิอย่าไปมีธุระตัดธุระให้หมดคำถามต่อไปจากคุณแป้งถ้าเราโดนตัดคะแนนความประพฤติภายในบริษัท ส่วนหนึ่งคิดว่าเกิดจากอารมณ์ผู้บังคับบัญชาด้วยจะมีวิธีคิดอย่างไรไม่ให้เกิดอคติเจ้าค่ะก็เรื่องของเขาเขาเป็นเ ข, เขามีหน้าที่ตัดเขาเรื่องของเขาจะมีเขาจะมีอคติหรือไม่อคติมันก็เรื่องของเขาเราไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้ก็ปล่อยเขาทาไปตามเรื่องของเขาคําถามต่อไปจากคุณมนทาลี ถ้าปิดามารดาลงนามในจดหมายขอให้ปฏิเสธการรักษาในกรณีที่ท่านไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองหากลูกทําตามจะเป็นบาปหรือไม่เช่นท่านอยู่ในห้องไอซีไม่รู้สึกตัวความดันตกลูกปฏิเสธไม่ให้ใช้ยากระตุ้นความดันและปล่อยให้ค่อยๆเสียชีวิตไปเช่นนี้จะเป็นอนันตระอนันตรียกรรมหรือไม่เจ้าคะ่ะออไม่เป็นหรอก การไม่รักษานี้ไม่ได้เป็นบาปแต่อย่างใดโดยเฉพาะถ้าเขาสั่งไว้แล้วก็ไม่ควรที่จะไปฝืนคำสั่งของเขามีฝรั่งคนหนึ่งเขาให้สักไว้ที่หน้าอกเขาเลยเพราะว่าอย่าปั้มหัวใจ do not resuscitate <laughs> พอหมอจะมาปั้มเห็นสักอยู่ที่หน้าหัวใจก็เลยหยุดเลย คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามอยากจะหยุดการจองเวรจองกรรมกันจากคนในครอบครัวก็ดีที่รู้จักกันก็ดีเพราะไม่อยากโดนทําร้ายด้วยกายวา จ, จาใจอีกแล้วครับอยากอยู่ให้ไกลาจากคนที่จิตใจไม่ดีผมควรทําอย่างไรครับอก็อยู่ให้ไกลๆไปอยู่ที่ไม่ได้อย่าไปอยู่ใกล้เขาเลย แต่ถ้าไปไม่ได้ก็ต้องทําใจให้อภัยถ้าให้อภัยได้ก็ไม่ต้องไปไม่ต้องหนีไปถ้าหนีไปบางทีมันก็ยังทําใจไม่ได้อยู่ดีเห็นวิธีดีที่สุดก็คือทําใจถ้ายังทําใจไม่ได้ก็หนีไปก่อนทํากายก่อนเอากายออกห่างก่อนอย่าไปอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้กันแล้วมันอดที่จะโกรธเกลียดกันไม่ได้ก็แยกตัวไปอยู่กันคนละเทศคนละทาง แต่ถ้าทำใจได้ก็ไม่ต้องแยกตัวก็ได้ทำใจให้อภัยเขาไม่ถือสาไม่โกรธเคืองคิดว่าเป็นเหมือนฝนตกแดดออกเดินไปโดนฝนสาดเวลาฝนตกสาดเราไม่เราไม่โกรธเวลาใครสาดน้ําใส่เราเราโกรธมันก็เปียกเหมือนกันก็ให้มองว่าผลก็คือเหมือนกันก็เปียกตัวเปียกเหมือนกัน เก็บตัวเหมือนกันเสียอะไรเหมือนกันก็ถ้าไม่ถ้าไปถือถ้าไม่ไปถือสาเขามันก็ไม่โกรธ ถ, ถ้ามองเขาว่าเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศไปคำถามต่อไปจากคุณมานาัทวิธีการแก้อารมณ์ฟุ้งซ่านทำอย่างไรได้บ้างครับให้จิตสงบอ๋อก็ต้องใช้สติต้องใช้คำบิกรมรมพยายามพุทธโธพุทธโธอยู่เรื่อยๆหรือสวดมนต์ไปอยู่เรื่อยๆ ถ้าสวดในใจพุทธโธอยู่ในใจนี้สามารถทำได้ในทุกกิริยาบทเนี่เดินนั่งยืนนอนหรือทำงานอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดกับพุทธโธพุทธโธไปแต่ถ้าออกเสียงมันก็ไม่เหมาะถ้าออกเสียงสวดมนต์หรืออะไรทำนองนี้ก็ต้องนั่งอยู่ในที่ที่เหมาะสมแต่ถ้าเราทำไปภายในใจนี้เราทำได้ตลอดเวลาแล้วใจของเราก็จะได้หายคลุ้งซ่านได้หมยคาถามแล้วเลย